มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตตมวักธุระพรหมโลกปัญหาที่สี่ ถามว่าพรหมโลกกับมนุษยโลกไกลเท่าไหร่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินธารณีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าพรหมโลกกับมนุษยโลกนี้ไกลกันสักเท่าไหร่พระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นใหญ่ในสิริราชสมบัติพรหมโลกกับมนุษยโลกนี้ไกลกันมากถ้าว่าจะเอาศิลาปาสารประมาณเท่ากุตาคารประสาทยโยลงมาแต่พรหมโลกนั้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งศิลาจะตกลงมาไกลได้8ป0 0มืนสพันโยธประมาณสี่เดือนจริงจะถึงดินสมเด็จพระเจ้าวิรินปินประชากร มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่ายังมีบุรุษผู้หนึ่งมีกำลังมากจะคูเข้าจะเหยียดออกซึ่งพาหาแขนซ้ายขวาทั้งสองนั้นรวดเร็วฉันใดก็ดีพระภิกษุที่มีฤทธิ์เป็นวสีชำนานในฌานมาดว่าจะอันตรทานหายจากชมพูทวีปนี้ ลัดนิ้วมือหนึ่งก็จะถึงพรหมโลกรวดเร็วเหมือนบุรุษคูเข้าและเหยียดออกซึ่งแขนนั้นก็ปานกันกลับไปสู่พรหมโลกอันไกลได้มากหลายร้อยโย์ก็เร็วพลันเออก็ฉะไหนจิงไม่ช้าเหมือนศิลาอันโยนลงมาเล่าพระนาคเสนรจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดุราณะบอพิษผู้ประเสริฐ อันว่าชาติภูมิของบพิษพระราชสมภารอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้ากรุงมิรินปินกษัตริย์บอกว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้ายังมีเกาะอันหนึ่งชื่อว่าอละสันดะไกลได้สองโยชนชาติภูมิของโยมอยู่ที่ตรงนั้นพระนาคเษนจึงถามว่ามหาราชดูราณะบพิษผู้ประเสริฐ บพิจงระลึกไปดูเกาะนั้นพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าอามะพันเตเจ้าข้าโยมระลึกแล้วก็มาหาบพิษระลึกได้สองโยโย์เร็วบัดเดียวก็ถึงเกาะละสันดะนั้นฉันใดพระอรหันต์เข้าสู่ชานั้นเหาะไปแต่ชมพูทวีบเร็วถึงซึ่งพรหมโลกเร็วเหมือนกันกับพระองค์อยู่ที่นี้ ระลึกถึงเกาะอาราสันดะอันเป็นชาติภูมิแห่งมหาบวพิษในการนั้นพระเจ้ากรุงมิลินปินกรัซาตรสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้สมควรทุระพรหมโลกะปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้